50 languages. การทางาน Trabajar. คุณทาอาชีพอะไรคะ? ¿Qué trabaja usted? สามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะ El m a r i t o s m ดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมง Yo trabajo como enfermera a tiempo parcial อีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญ a v i a t e n jubilarem แต่ภาษีสูงมาก Pro l s i m si p o s t o s s ó n a l t s และค่าประกันสุขภาพก็สูง หนูอยากเป็นอะไรในอนาคตหนูอยากเป็นวิศวกรหนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเย่บ l ยจะศึก a าที่มหา i ิทยาลัยดิฉันเป็นพนักงานฝึกหัด ชกุนบักการี unabakaria ดิฉันมีรายได้ไม่มากนกัวญูไกระดิฉันฝึกงานอยู่ต่างประเทศ Estic fent u n e s p r à c t i q u e s a l e s t r a n g e r นี่คือหัวหน้าของดิฉัน Aquest és el meu cap าบอัลเ e ว์ดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดี เราไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหารเสมอ cantina ดิฉันกำลังมองหางานฉันว่างงานมาหนึ่งปีแล้วที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจานวนมาก